พระพุทธศาสนาที่พวกเราคารพนับถือเริ่มใสศรัทธาจะว่าเป็นสถาบันการศึกษาก็ว่าได้เพราะพระพุทธศาสนาก็มีครูมีอาจารย์มีการอบรมสั่งสอน วิชาความรู้ต่างๆและมีนักเรียนนักศึกษาที่มาเร่มเรียนมาศึกษากันจะว่าเป็นสถาบันการศึกษาก็ไม่น่าจะผิดที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าความรู้ของทางพระพุทธศาสนา วิชาความรู้ที่เผยแผ่สั่งสอนนี้จะไม่เหมือนกับวิชาความรู้ของสถาบันการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาสอนคำสั่งสอน สอนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองเป็นความรู้ที่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นคนที่มีความรู้ความเฉลียฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถค้นพบวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบได้อันนี้คือความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับสถาบันการศึกษาต่างๆมีวิชาความรู้ที่เผยแผ่สั่งสอนที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างอื่นก็เหมือนกันคือมีครูมีอาจารย์เหมือนกันพระพุทธศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่แล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่วิชาความรู้ก็มีสั่งสอนเหมือนกัน แล้วก็มีนิสิตนักศึกษานักเรียนก็คือพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี่พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาเรื่เรียนวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนาซึ่งได้แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันวิชาความรู้ระดับต้น กับวิชาความรู้ระดับปลายผลที่ได้รับก็จะต่างกันเหมือนกับการศึกษาระดับปริญญาขั้นต่างๆผลที่ได้รับก็ต่างกันขั้นปริญญาตรีก็จะได้รับปริญญาตรีขั้นปริญญาโทก็จะได้รับปริญญาโท ขั้นปริญญาเอกก็จะได้รับปริญญาเอกได้รับความรู้ความสามารถที่ต่างกันที่จะนําอกไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยต่างกันฉันได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็จะให้ประโยชน์แก่ผู้มาเรียนมาศึกษา ที่ต่างกันในในสองระดับที่มีการสั่งสอนระดับต้นนี้เราเรียกว่าระดับนักบุญระดับปลายเราเรียกว่าระดับนักบวชพระพุทธศาสนามีนักเรียนนักศึกษาอยู่สองระดับด้วยกันระดับต้นเรียกว่าระดับนักบุญระดับปลายเรียกว่าระดับนักบวช ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาในทั้งสองระดับนี้ก็ต่างกันไม่เหมือนกันในระดับต้นในระดับนักบวชนี้ผู้ที่ศึกษาก็จะศึกษาอยู่สองวิชาหลักๆ ก, ก็คือวิชาทำทานกับวิชารักษาศีลส่วน สำหรับระดับปลายนี้ก็จะศึกษาสองวิชาระดับศีลที่สูงขึ้นไปกว่า ร, ระดับศีลของนักบุญและวิชาภาวนาการพัฒนาจิตใจการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือ ขั้นของการศึกษาในสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาเราก็จะเริ่มต้นที่ขั้นระดับต้นก่อนเหมือนกับเวลาที่เราไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเราก็ศึกษาขั้นระดับปริญญาตรีก่อนถึงค่อยขยับไปสู่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกทางศาสนา พุทก็เหมือนกันเราเริ่มต้นที่ระดับนักบุญกันก่อนระดับนักบุญก็คือเรามาหัดทําทานกันมาแบ่งปันมาเสียสละประโยชน์สุขที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดเพื่อนมนุษย์ หน้าสัตว์ในราชาทั้งหลายเช่นเราใส่บาทนีเราก็แบ่งปันอาหารให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรเราปล่อยนกป ล, ยปล่อยปล่อยาเราก็ถ่ายชีวิตให้กับนกให้กับปลาให้ชีวิตให้ประโยชน์แก่เขา เรียกว่าเป็นการทำทานการทำทานนี้ก็จะเกิดผลขึ้นมาผลที่เกิดจากการทำทานนี้เรียกว่าบุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจบุญก็คือทรัพย์ภายในทรัพย์ของจิตใจที่เป็นกายที่เป็นร่างที่ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยบุญเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจตอนที่ร่างกายตายไปใจถ้ามีบุญใจก็จะมีเงินทองที่จะเอาไปใช้ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เหมือนกับเวลาที่เรา ไปต่างประเทศเวลาเราไปต่างประเทศเงินที่เรามีอยู่เงินบาทนี้เราก็เอาไปไม่ได้เอาไปใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้เราก็ก่อนจะไปเราก็ต้องแลกเงินบาทเพื่อที่จะเอาเงินของประเทศที่เราจะไปอยู่เช่นไปประเทศสหรัฐเราก็แลกเป็นเงินดอลลาร์ไป พอเรามีเงินดอลลาร์เราก็จะสามารถใช้เงินดอลลาร์ซื้อข้าวซื้อของซื้อเงินซื้อทองต่างๆได้นี่คือสิ่งที่นักบุญอย่างพวกเราทํากันเรากําลังมาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินทองจากเงินที่เราใช้ในโลกนี้เอาไปเป็นเงินที่เราจะเอาติดตัว ไปใช้ในโลกทิพย์ได้ในเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วถ้าเรามีบุญเราก็จะสามารถไปอยู่อย่างสุขสบายไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศถ้าเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศเรามีเงินของประเทศนั้นติดตัวไป เราก็สามารถใช้เงินนั้นซื้ออะไรต่างๆได้จ่ายค่าพักค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้เราก็จะเที่ยวอย่างสุขอย่างสบายถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเงินทองไปเราก็จะไม่มีเงินใช้เราก็จะไปแบบขอทานรังรอยให้ คนทางบ้านส่งเงินไปให้กับเราเช่นบุญที่เราอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็เป็นเหมือนเงินที่เราส่งไปให้กับญาติพี่น้องที่เดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่มีเงินทองติดตัวไปด้วยเขาก็เลยมาติดต่อกับเราขอความช่วยเห ล, ลือเราก็ส่งบุญไปให้กับเขา ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาก็จะได้รับบุญที่เราส่งไปแล้วเขาก็จะได้ใช้บุญนั้นไปซื้ออาหารไปจ่ายค่าที่พักอะไรได้ก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานนี่คือเรื่องของหน้าที่ของนักบุญคือการทำทานการให้ <c oughs> ทานแปลว่าการให้ การที่ให้นี้เราก็สามารถให้ได้หลายแบบด้วยกันถ้าเรามีข้าวของเงินทองเราก็ให้ข้าวของเงินทองก็ได้ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเรามีเวลาว่างเราก็เอาเวลานี้ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ได้ไปรับใช้สังคมไปเป็นอาสาสมัคร ทำงานกับมูลนิธิเช่นพอเทคตึงร่วมกับตัญยูหรืองานการกุศลต่างๆไปวัดเราก็ไปช่วยกันดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของทางวัดช่วยล้า ง, าง ช, า ช, าาาช่วยล้างชามช่วยกวาดถูสาราช่วยล้างห้องน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกัน ให้เวลาเวลาของเราให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เรียกว่าทานเหมือนกันหรือถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็สามารถให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นได้เช่นเราอาจจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาสอนเด็กนักเรียนเพิ่มพูนความรู้ให้กับเขา โดยที่ไม่คิดเงินทองสารฟรีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันให้ทานให้วิทยาทานหรือถ้าเรามีธรรมะพอที่จะแบ่งให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์เขามีความทุกข์ใจเขาไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์ได้อย่างไรเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติธรรมมา เราพอจะรู้วิธีดับความทุกข์เราก็สอนธรรมะให้แก่ผู้ที่เขามีความทุกข์ใจให้ลดความทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะหรือเรามีหนังสือธรรมะที่มีคุณค่าที่เราอ่านแล้วเราได้รับประโยชน์ช่วยเหลือให้เรามีความ ทุกน้อยลงเราก็เอาหนังสือธรรมะที่เรามีนี้ไปให้กับผู้ที่เขามีความทุกข์เอถ้าเขาอ่านแล้วเขาจะได้บรรเทาความทุกข์ให้เบาบางลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันเป็นธรรมทานอวิทยาทานเอให้การช่วยเหลือกันรับใช้สังคมเอ รับใช้ผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือขาดแคลนการกระทำเหล่านี้เราเรียกว่าทานคือการให้ให้แล้วจะเกิดเป็นบุญขึ้นมาเกิดเป็นความสุขใจอิ่มใจที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไป สบายไปอย่างมีความสุขข้อที่สองของนักบุญที่ต้องศึกษาต้องปฏิบัติก็คือศีลศีลของนักบุญก็คือศีลห้าคือต้องละเว้นการกระทำบาปห้าข้อด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด ไม่เดิมสุรายาเมาการกระทำทั้งห้าข้อนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจนั้นเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาและจะป้องกันไม่ให้ไปใช้กรรมในอบายที่มีอยู่สี่ที่ด้วยกันมีสี่สถานด้วยกันคือหนึ่งเดรัจฉาน สองเปรตสอสุรกายสนรกเนี่ยนี่คือการกระทําที่จะทําให้ผู้ที่กระทําหลังจากที่ตายไปแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรก ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าทำบุญแล้วก็รักษาศีลถ้าไม่ได้ทำบุญเพียงแต่รักษาศีลตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรก ถ้าสามารถรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่มารับการศึกษาอบรมจากพระพุทธศาสนาในระดับต้นก็คือระดับนักบุญนี่คือหน้าที่ของนักบุญของพระพุทธศาสนา ถ้าทำได้ก็จะได้รับประโยชน์คือจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุขคติคือจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเสร็จแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลามาเกิดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตายไปก็กลับไปเกิดในสวรรค์ใหม่เพราะถ้าได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีล จนเป็นนิสัยแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทำบุญทำทานกลับมารักษาศีลต่อพอตายไปก็ไปรับผลของบุญของทานของศีลที่ได้ทำไว้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆไปจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดทุกครั้งที่มาเกิดแล้วได้มา ปฏิบัติในฐานะของนักบุญคือทำทานทำบุญทำทานตามอธัธยาศัยมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่บาปนี้ไม่ทำโดยเด็ดขาดไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบดื่มสุรายาเมาไม่ชอบโกหกบอกลวงการกระทาอย่างนี้มันจะทำให้ติดเป็นนิสัย แล้วจะทำให้ทำไปเรื่อยๆนี่คือระดับต้นของสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาผู้ที่มาพบกับพระพุทธศาสนามามาเข้าสู่สถาบันการศึกษานี้ก็จะได้รับการสั่งสอนให้กระทำสองข้อแรกนี้ก่อนก็คือให้ทาทานและให้รักษาศีลห้า ถ้าพอสามารถเรียนจบขั้นนี้ได้แล้วอยากจะเลื่อนคือสู่ขั้นที่สูงต่อไปก็ต้องขยับขึ้นสู่ขั้นของนักบวชขั้นของนักบวชก็มีวิชาความรู้ที่ต้องศึกษาต้องปฏิบัติอยู่สองข้อเช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งก็คือศีลและข้อที่สองก็คือการภาวนา ศีลของนักบวชนี้จะต่างจากศีลของนักบุญศีลนักของนักบุญก็คือศีลห้าแต่ศีลของนักบวชนี้จะเพิ่มอีกสามข้อเรียกว่าศีล8ปดแล้วก็จะเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีไปเป็นอัปปรมัจริยาเวรมณีคือจะละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น แม้แม้จะเป็นสามีภรรยาคู่ครองก็จะไม่มีการร่วมหลับนอนกันเพราะผู้ที่จะเป็นนักบวชนี้ต้องการที่จะหาความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่ละเอียดกว่าความสุขที่ได้รับจากการร่วมหลับนอนกันความสุขที่ได้รับจากการร่วมหลับนอนกันนี้เป็นความสุขระดับเทวดาของเทพของมนุษย์แต่ถ้า นักบวชนี้อยากจะได้ความสุขที่ละเอียดกว่าที่สุ ข, ขุมกว่าที่มากกว่าความสุขของระดับเทพของมนุษย์ก็คือความสุขของพรหมของพระอริยเจ้าอันนี้จะต้องถือศีลแปดกันวิธีที่จะมาศึกษาระดับนักบวชก็คือให้ทดลองก่อน คือในวันพระนี้ให้เปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชชั่วคราวก่อน<ม>บวชวันหนึ่งก่อนวันพระมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาหัดภาวนากันศีลแปดนี้ก็มีอะไรบ้างนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ โกหกหลอกลวงไม่เดื่มสุรายาเมาแล้วก็มีไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือไม่ต้องการใช้การรับประทานอาหารเป็นวิธีหาความสุขจะหาความสุขแบบ จ, จากการภาวนาจากการพัฒนาจิตใจให้สงบถ้ามารับประทานอาหาร มันก็จะขัดกันมันจะสวนทางกันแล้วมันจะทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้ยากเพราะถ้าเรารับประทานอาหารมากเวลาที่เราจะมาภาวนามันจะง่วงนอนมันจะเป็นนิวร์มันจะง่วงนั่งแล้วก็จะหลับแทนที่นั่งแล้วจะสงบมันก็หลับก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการภาวนา ผู้ที่ต้องการประโยชน์จากการภาวนาจึงต้องถือศีลแปดข้อที่หกนี้ก็คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าร่างกายนี้พออยู่ได้แล้วจากการรับประทานอาหารในช่วงเช้าถึงเที่ยงการรับประทานอาหารนี้รับประทานเป็นในลักษณะของการรับประทานยา เลี้ยงดูรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้หิวเท่านั้นะคือก็คือประโยชน์ของการรับประทานอาหารรับประทานมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะไปภาวนาไปสร้างความสุขในระดับที่สูงกว่าระดับของมนุษย์และเทวดานี่คือสิลข้อที่หก สิ่ข้อที่เจ็ดก็คือต้องละเว้นจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนะคือละเว้นจากการไปใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขกันไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปร้องเล่นร้องลัมทำเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานเที่ยวที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงสถานมหัศรพลงละคร อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามเพราะมันเป็นความสุขชั่ค ว, ชวคราวไม่มีความหนักแน่นเหมือนกับความสุขที่เราจะได้รับจากการมาภาวนาการจะภาวนาได้เราต้องมีเวลา ถ้าเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขกับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเราก็จะไม่มีเวลามาภาวนากันเราเลยต้องรักษาศีลข้อที่เจ็ดนี่แล้วเราต้องรักษาศีลข้อที่แปดคือการไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆบนฟูกหนาหนาเพราะว่ามันจะสบายเกินไป จะทำให้นอนมากเกินไปธรรมดาแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, นอนแล้วมันนุ่มมันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาภาวนาจะอยากจะนอนต่อวิธีที่จะทำให้เราลุกจาก การนอนเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆนอนบนพื้นปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่มันก็จะเต็มขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายมันแข็งพื้นมันแข็งนอนแล้วเจ็บหลัง สู้ลุกขึ้นมานั่งภาวานามไม่ได้นี่คือศีลแปดมีหน้าที่ที่จะกั้นไม่ให้เราเอาเวลาอันมีคุณค่าที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาจิตใจเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบให้มีความชลาเพื่อที่เราจะได้ตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นต้นเหตุ ที่พาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันออออผลของการได้ศึกษาได้ปฏิบัติระดับนักบุญนี้จะทําให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไดออ้ระดับนักบุญนี้ตัดไม่ไดออ้นักบุญนี้เพียงแต่ตัดอบายได้ปิดอบายได้ไม่ทําบาปทําแต่บุญเออ ตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่จะไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เพราะยังไม่ได้ชาระใจด้วยการภาวนายังไม่ได้กําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะการทำทานก็ดีการรักษาสีห้าก็ดีนี่ไม่สามารถที่จะทำลายกําจัด กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เพียงแต่ทำลาย อ, าอบายการไปเกิดอบายได้ถ้ารักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในระดับของนักบวชคือต้องทดลองเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปด ไปในวันพระก่อนแล้วพอถือศีลแปดได้ก็จะมีเวลาตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปจนถึงเวลานอนอตั้งแต่เที่ยงวันถึงสี่ทุ่มนี่ก็สิบชั่วโมงที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการภาวนาได้การภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนา ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขก่อนระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆก็คือตัณหากิเลสตัณหาของเรานี่เองขั้นตอนนี้เราต้องทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อน ถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขเราจะไปใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาไปตัดกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันจะไม่ฟังมันจะไม่ยอมเพราะกิเลสมันจะหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันหาออความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีความสุข เราก็จะทนไม่ไหวเราก็ยังต้องเราก็จะต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากคนนั้นคนนี้แต่การหาความสุขแบบนี้มันเป็นการหาความสุขแบบยาเสพติดหาแล้วก็ติดก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้มาก็มีความสุขเดี๋ยวพับหนึ่งมันก็หมดไป ดูหนังจบปับความสุขที่ได้จากการดูหนังก็หมดไปก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยจบเรื่องนี้แล้วก็ต้องไปดูเรื่องนั้นต่อดูต่อไปกี่เรื่องมันก็ไม่มีวันจบไม่มีวันพอต้องดูเรื่อยๆถ้ายังอยากดูหนังเวลาตายไปก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาดูหนังใหม่ความอยากเหล่านี้มันจะดึงให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย เพราะเราต้องมีร่างกายถึงจะดูหนังฟังเพลงได้ถึงจะเสพรูปเสียงเกียรตรสต่างๆได้แต่เราจะเลิกมันนี้ถ้าเราไม่มีความสุขในใจเราเราจะสู้มันไม่ได้เหมือนคนที่หิวข้าวแล้วมีคนเข้าข้าวมามาล่อใจเรานี่พอเห็นข้าวเราก็น้ำลายไหลแล้วถ้าหิวข้าวอดข้าวมาหลายๆวัน ใครเอามาเอาข้าว อ, อาหารโอชะมาตั้งวางไว้ข้างหน้านี้อแล้วท้าทายดูว่าจะกินได้หรือไม่กินเอร้อยทั้งร้อยถ้ายังหิวข้าวอยู่นี่มีคนเอาอาหารอย่างดีมาวางไว้ข้างหน้านแล้วเชิญให้เรารับประทานนี่เราจะปฏิเสธไม่ออกเห็นแล้วน้ำลายไหลเอราต้องกินข้าวแต่ถ้าเรากินข้าวมาอิ่มแล้ว แล้วคนก้าวอาหารมาตั้งวางไว้ข้างหน้านี้เราเห็นแล้วเราก็เฉยๆได้เห็นแล้วก็ไม่มีความหมายอะไร น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะเกิดจากการมีสมาธิก่อนเพราะถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะอิ่มใจเราจะไม่หิวโหยไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะหนึ่งความสุขที่เราได้รับจากความอิ่มใจนี่มันเหนือกว่าความสุข ต่างๆที่เราจะได้รับจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สองเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้ส่วนความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้มันจึงดึงให้เรากลับมาหามันอยู่เรื่อยๆพอเราตายไปแล้วมันก็จะดึงให้เรากลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดใหม่นี่คือ ทำไมเราจึงต้องมีการภาวนาอยู่สองระดับระดับสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นเราต้องทำสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้เราอิ่มก่อนเมื่อใจเราอิ่มแล้วเวลากิเลสเอาของมาล่อเราเอาทรัพสมบัติเอาข้าวของเงินทองเอารูปเสียงกลิ่นรสเอาคนนั้นคนนี้มาล่อเราเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาล่อเรา เราก็สามารถปฏิเสธไปได้อย่างเต็มปากว่าไม่ต้องการเรามีของที่ดีกว่าและเรารู้ว่าของที่เธอมาอล่อเรานี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอให้มาลพอรับแล้วมันจะติดจะต้องไปหาอยู่เรื่อยๆเห็นไม่เวลาเขาขายสินค้าใหม่ๆเขาทำยังไง ร, รู้ไ้ยให้เราติดสินค้าเขาเขาเอามาแจากเลยเขาไม่ขายเขาให้เราทดลองสินค้า สมัยเด็กๆเราเรียนหนังสือโรงเรียนนี้มีบริษัทขายไอติมเอาไอติมมาแจากทุกวันนแจกไว้สักพักหนึ่งพอหยุดแจกอันนี้ต้องซื้อเลยเพกินแล้วมันติดอกินแล้วมันอยากจะกินต่อเอถ้าไม่เคยกินเลยมันก็ไม่ต้องกินใช่ไห ม, ม, มนี่ก็คือวิธีกิเลสตัณหามันจะมาล่อให้เราติดติดเบ็ดของมันะติดกับของมันตับเขา อ, อ่า กับของการเวียนว่ายตายเกิดนะก็คือในเอาของมาล่อเราเอารูปเสียงกลิ่นรสมาล่อเราเอาลาบยศสรรเสริญมาล่อเราพอเราตะคุบ ป, ปั๊บเนี่ก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเนะี่ยทีนี้ติดแล้วสิต้องกลับมาหาลาบยศสรรเสริญสุขอยู่เรื่อยๆตายไปรับก็ต้องรีบกลับมาหาร่างกายใหม่มาจะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรส มาเสพ ร, ราบยศสารเสญสุขใหม่ต่อไปแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสุขใจมีความอิ่มใจแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหมือนเหยื่อที่เขาไว้ในกับดักสัตว์นี่ถ้าไปกินเหยื่อนั้นพักจะถูกกับมันจับมัดทันทีเป็นเหมือนบ่วง นี่คือปัญญาวิปัสสนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาหลังจากเราผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วพอกิเลสตัณหาเอาลาบยศสารเสญเอาสิ่งต่างๆมาล่อใจเราเราก็จะสามารถเห็นได้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นกับดักมันไม่ใช่เป็นอเนอาหารอันโอชามันต้องการที่จะจับเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของปัญญาจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจะทำให้ต้องติดกับสิ่งที่เราอยากได้พออยากได้อะไรแล้วได้แล้วมันไม่พอหรอกมันมีแต่อยากจะได้มากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆมากเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ ได้กินแล้วก็อยากจะกินอีกได้ดูแล้วก็อยากจะดูอีกได้ฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกแล้วเวลาไม่ได้ฟังก็ทุกข์ทรมานใจนี่คือการเห็นปัญญาเห็นทุกข์กด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เราเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆ ท, ที่เราอยากได้เพราะสิ่งต่างๆ ท, ที่เราอยากได้ มันให้ความสุขเราชั่วคราวมันความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรียกว่าอนิจจ์เป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจเรายังอยากให้มันสุขอยู่แต่มันไม่สุขแล้วมันหมดแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งมันให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด วันดีคืนดีมันจะหยุดให้ความสุขเราเมื่อไหร่มันก็หยุดอย่างนั้นวันดีคืนดีแฟนจะตายจากเราไปเมื่อไหร่เขาก็ตายไปเขาทิ้งเราไปจากเราไปวันดีคืนดีเงินทองหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาก็ทุกข์กันนี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านเรียกว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกขัง ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เช่นราบยศจันละเสน ร, ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตะนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่เราคิดส่วนใหญ่เรามักจะมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไอ้แม่ดูหนังตอนจบพระเอกเจอนางเอกได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไปอ ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือนิจังสุขขังอัตตาพอไปดูภาคสองเอาทะเลาะ ก, กันใช่แล้วอยากันใช่แล้วพอมีภาคสองเกิดขึ้นมามีลูกมีเต้าไปทุกข์กับลูกทุกข์กับเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นพระเอกแกเห็นนั่งเอกแกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคุณตาคุณยายแล้วเดี๋ยวก็ตายไปอันนี้ ผู้ที่ไม่มีปัญญามักจะมองไม่เห็นมักจะเห็นแต่าภาพที่ดีภาพที่สวยที่งามเห็นแล้วมีความสุขไม่ยอมมองภาพที่ไม่สวยไม่งามที่เห็นแล้วมีความทุกข์ไม่เห็นว่าคนที่เราจะเอามาเป็นแฟนต่อไปเขาก็าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ไม่ดู ตอนที่เขาทะเลาะกับเราตอนที่เขาแอบไปมีแฟนกับคนอื่นมองไม่อามองภาพเหล่านี้จะมองแต่ภาพว่าถ้าได้กันแล้วจะอยู่กันไปจะรักกันไปจนวันตายนี่คืออวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงผู้ที่มีปัญญาจะเห็นว่ารักกันเกิดกินยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องทะเลาะกันสักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน เพราะว่าชีวิตของคนเราก็ต้องมีวันสิ้นสุดหนุทุกคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัฒภาคจากการเป็นธรรมดานี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะมาคอยสอนใจไม่ให้หลงสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่เราคิดกัน น้ำลอกจะคิดว่านิจจังก็คือถาวรสุขขังก็คือสุขเป็นความสุขที่ถาวรอัตตาก็คือเป็นความสุขของเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเราจะสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ทุกเวลาที่เราต้องการ น, นี่คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวรเรียกว่าอาวิชชามองไม่เห็นความจริง ความจริงเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็นกันเราเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่เราว่าสวยว่างามก็ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเราก็มองไม่เห็นกันคนเราเห็นแต่ภายนอกไม่เห็นภายในไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าผิวหนังนี่มันใสเหมือนุงพลาส ถุงพลาสติกนี้จะดีมไหมจะได้เห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลาไส้เห็นเลือดวิ่งไปวิ่งมาเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้แต่เห็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เห็นว่ามันสวยงามเลยเห็นตอนที่มันตายแล้วตอนตายก็ไม่ยามไม่เห็นกันรีบเอายัดใส่ลงเป็ดไปงานศพก็ไม่เคยเห็นศพกัน เห็นแต่ภาพถ่ายของคนเป็นเลยไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายกันเลยหลงไหลข้างค้ายลักร่างกายกันแย่งกันฆ่ากันตายเพราะร่างกายอันนี้แย่งสามีแย่งภรรยากันแย่งแฟนกันเพราะไม่เห็นอสุภะไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพราะไม่มีปัญญามีแต่อวิชชา ความมืดบอดความหลงเห็นแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามมองไม่เห็นอาหารก็เรียนเช่นเดียวเห็นว่ามันน่ากินเพราะเห็นอยู่ตอนที่มันอยู่ในจานไม่เคยไปมองมตอนที่มันอยู่ในซุ้มมั้งมันก็เป็นอาหารเหมือนกันถ้ามันไม่กินเข้าไปแล้วมันจะออกมาได้ยังไงใช่ไหม แล้วของที่มันออกมานี่มันเป็นอาหารหรือเป็นอะไรเราก็ไปเปลี่ยนชื่อมันีกในช้างพระพุทธเจา้าท่านยังให้เรียกอาหารท่าเรียกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในจานอาหารเก่าอยู่ในส้วมวมันก็เป็นอาหารเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ยอมมองกันเราก็เลยหลงติดอาหารเงินกินเงินยาท้องกลายเป็นตุ่มมา ก็เห็นว่ามันอร่อยอร่อยน่ากินไม่เคยไปมองตอนที่มันไม่น่ากินถ้าดูตอนที่มันไม่น่ากินมันก็จะไม่อยากกินตอนที่มันเคี้ยวอยู่ในปอกนี่อร่อยอร่อยเหลือเกินลองคายมันออกมาดูทีหน่อยแล้วตัดเข้าไปกินใหม่ได้ไหมอาหารแสนอร่อยที่เรากำลังเคี้ยวกันผสมน้ำลายกำลังเคี้ยกำลังเกินลองคายมันออกมาดูหรืออาเจียนมันออกมาจากในท้องดู เราเราก็ตักเข้าไปกินเรากินไม่ได้แต่หมามันกินได้เ <c oughs> ชื่อไหมห <c oughs> ม, มามันฉลาดกับเราของหมามันเก่งกับเราไม่ใช่ฉลาดกับเรา <c oughs> กินอาเจียนเราได้กินอุจจาระได้ <c oughs> แต่เรากินไม่ได้เทำไมั้งทั้งที่เวลามันอยู่ในจานนี่หอย่างกันย่างกันกินในชะ่ไหม แต่พอเอามาจากท้องออกมาจากปากก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากจะกินนะนี่คือปัญญาถ้าอยากจะลดน้าหนักถ้าไม่อยากจะอ้วนเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินไปไปออกกำลังกายที่ฟิตนกฟิตเน็ตอะไรทั้งต่างเนี่ยเสียเงินแล้วก็ไม่ได้ลดกาลังไม่ได้ลดน้าหนักหรอกไปออกกำลังกายเดี๋ยวเสร็จก็หิว ก, ก็ไปกินต่อยถ้าไม่อยากจะกินก็ให้นึกถึงความ ส่วนที่ไม่สวยงามของอาหารดูดูอาหารตอนที่มันอยู่ในปากตอนที่มันอยู่ในท้องตอนที่มันถ่ายออกมาเนี่ยนี่อาหารทั้งนั้นเขาเรียกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ก็อยู่ในจานพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็กลายเป็นอาหารอาหารเก่าไปแล้วออามาจากร่างกายก็กลายเป็นอาหารเก่าไปให้ดูอาหารเก่าบ้างอย่าดูแต่อาหารที่อยู่ในจานถ้าอยากจะลดน้ำหนัก ถ้าอยากจะไม่กินมากๆให้นึกถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารนี่มันสกรปรกออกจากร่างกายเหล่านี้ไม่ยอมแตะมันเลยนะแล้เ ร, เรียกวันสกรปรกแต่เราไม่เห็นมันเราไปเห็นมันตอนที่น่ากินตอนที่มันอยู่ในจานตอนที่ก็เอามาออกมาจากครัวมาตั้งไว้บนโต๊ะนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลย ถ้าไม่อยากให้นำลายหลายนึกถึงตอนที่มันออกมาจากร่างกายเราะแล้วต่อไปเราจะไม่หิวโหวยเวลาอดข้าวก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่หิวเพราะความหิวส่วนใหญ่มันหิวที่ใจความหิวที่ร่างกายนี้แม่มันไม่มันไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวที่ใจความหิวที่ใจนี้มันมันรุนแรงมากแม้กระทั่งกินอิ่มใหม่ๆยังหิวได้เลยกินอิ่มเสร็จปับ๊บเดี๋ยวใครเห็นขนมมเห็นอะไร ก็หิวขึ้นมาได้อยากจะกินขึ้นมาได้ถ้าเรารู้จักวิธีดูอาหารแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราอดอยากขาดแคลนถ้ากินมื้อเดียวถือสีน้ำตาลนี่ก็จะถือได้อย่างสบายตกเย็นแล้วจะไม่หิวโหวยหนังเที่ยงไปแล้วจะไม่หิวหิวก็ให้มันดูปฏิกูลไปดูคิดนึกถึงปฏิกูลอาหารที่เป็นปฏิกูล มันก็จะไม่หิวเพราะอาหารที่เรากินให้กับร่างกายตั้งแต่เช้านี้มันพอแล้วร่างกายไม่เดือดร้อนแล้ ว, ลวได้อาหารแล้วเหมือนถ้ารถยนต์ก็ได้เติมน้ามันเต็มถังแล้วมันวิ่งได้แล้วไม่มันไม่มีความปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่คนขับร่างกายนี้หิวชอบกินอยู่เรื่อยๆพอนึกถึงอาหารก็หิวขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราถือสินแปนี้ อาใช้การพิจารณาปฏิคูณของอาหารดูแล้วจะทําให้การถือศีลแปดนี้ไม่ไม่ทุกข์ยากลําบากไม่ทรมานไม่ใช่ปล่อยให้คิดแต่อาหารอยู่ในจานคิดแต่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ขนมชนิดนั้นชนิดนีน้ยิ่งคิดก็ยิ่งหิวมันอยู่ที่ความคิดเท่านั้นเองพอเราหยุดคิดได้นี้มันก็หายหิว ใจะให้มันหยุดคิดก็ต้องคิดตอนที่มันเป็นอาหารเก่าไปแล้วมันสกปรกแล้วมือเรายังไม่อยากจะไปแตะมันเลยนี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นความจริงเพื่อจะได้หยุดตัณหาความอยากต่างๆความโลภต่างๆได้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญานี้เราจะไม่มีวันที่จะเห็นความจริงแลวเราจะไม่สามารถที่จะ เห็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องไม่ทําตามความอยากกันเพราะถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าการทําตามความอยากนี้มันจะทําให้เราต้องอยากอยู่เรื่อยๆและเวลาเราไม่ได้เราก็จะทุกข์และเวลาเราตายไปเราก็จะต้องกลับมาหามันใหม่เพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาเวียนว่ายตายเกิด อย่างไม่มีวันจบบันสิ้นนี่คือการใช้ปัญญาให้มันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นิจจังสุขขังอัตตาให้พิจารณาว่าร่างกายของคนเรานี่ไม่สวยไม่งามส่วนที่สวยก็มีแต่ส่วนที่ไม่สวยก็มีให้ดูส่วนที่ไม่สวย เพื่อจะได้หยุดอยากมีแฟนได้จะได้อยู่คนเดียวจะได้ไม่ต้องกลับมามีแฟนอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะยังอยากจะมีแฟนกันอยู่กลับมาเกิดปั๊บพอ่อขึ้นปั๊บก็หาแฟนกันเลยพ่อแม่ไม่ต้องสอนใช่ไหมเรื่องหาแฟนนี่มีแต่ต้องคอยเบรกไว้เรื่อยๆเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งรีบร้อนตัวยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไปมีแฟนอีกแล้วเดี๋ยวใครใครจะเลี้ยงแฟนอีก เดี๋ยวมีแฟนนะเดี๋ยวก็มีลูกอีกใครจะเลี้ยงลูกอีกเนี่ยพ่อแม่ก็บอกไม่ไหวเลี้ยงคนเดียวก็พอแล้วอย่างต้องมาเลี้ยงแฟนมึงเอกเลี้ยงลูกมึงเอกไม่ไหวอย่านอย่าเพิ่งไปมีอยากจะมีรอให้หางานทําให้ได้ก่อนเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปมีแฟนจะได้ไม่ไปให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนกันสมัยนี้ก็ให้พ่อแม่เดือดร้อนอยู่เรื่ยมีแฟนเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวก็เลิกกันนะ เดี๋ยวแฟนก็แยกกันทิ้งกันมีลูกก็โยนไปให้พ่อแม่เลี้ยงต่ออีกให้ให้ปู่ให้ยา่าให้ตาให้ยายเลี้ยงแทนเพราะตัวเองไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่แทบจะไม่ไหวแต่ความอยากมีแฟนนี่มันรุนแรงมากมันไม่ดูว่าตัวเองพร้อมที่จะมีได้หรือยังมันก็อยากจะมีกันนี่แหละคือความอยากทั้งนั้นนี่คือโทษของความอยาก ให้เราพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วหามาตรการมาหยุดความอยากถ้าอยากจะมีแฟนก็ให้นึกถึงอสุภะของแฟนบ้างลองคิดว่าผิวหนังของแฟนนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกดูถ้าผิวหนังมันใสเหมือนถุงพลาสติกมองทะลุเข้าไปข้างในได้จะเห็นอะไรลนะ่ะมันก็จะเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจ เห็นน้ำไส้เห็นสมองเห็นน้ำต่างๆที่มีในร่างกายถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีแฟนดีกว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วหรือมองตอนที่ร่างกายมันตายไปก็ได้ร่างกายตายไปมันก็ขึ้นอืดพองขึ้นมาแล้วก็แตกน้าอะไรต่างๆก็ไหลออกมา ยิ้งไปนานๆเข้ามันก็แห้งกรอบแล้วแต่กระโหลกเหลือแต่โครงก็ดกุนี่คือการดูเพื่อที่จะตัดความอยากมีแฟนกันเราต้องตัดความอยากเพราะอะไรถ้าไม่ตัดเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเวลาเกิดทีมันก็ทุกข์แล้วเกิดมาก็ต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ตอนต้นก็ต้องไปรบกวนพ่อแม่ให้เลี้ยงก่อนเพราะยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงให้พอโตแล้วก็ต้องเลี้ยงตัวเองต้องทำงานทำการหาเงินหาทองหาข้าวหาบ้านหาเสื้อผ้าหายารักษาโรคแล้วก็ยังต้องมาทุกขกับการที่ไปหาสิ่งที่มันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวได้แฟนมาก็ทุกกับแฟนอีกได้ลูกก็ทุกกับลูกอีก ได้อะไรก็ต้องทุกขกับสิ่งที่เราได้เพราะมันไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันพังก็ทุกข์เดี๋ยวมันจากเราไปก็ทุกข์เราเดี๋ยวร่างกายเราที่ได้มามันก็จะแก่กีจะเจ็บอีกจะตายอีกมันก็ทุกข์อีกเนี่ยดีคือผลที่เราจะได้รับจากการทําตามความอยากต่างๆทาแล้วมันติดมันไม่หมดความอยากไม่ใช่ทา ทั้งเดียวแล้วจะพอมันไม่มีวันพอความอยากนี่ไม่มีคำว่าพอพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาสมุทรใกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากของเรานี่มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่าเอมหาสมุทรท้องฟ้าท้องฟ้าก็ยังมีขอบฟ้าอยแต่ความอยากไม่มีขอบไม่มีฝั่ง อยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเนี่ยมันถึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์อยู่ไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งละแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นโทษของความอยากถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่ได้เป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาแต่เป็นเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตามันไม่สวยงามมันเป็นอสุภะ มันไม่น่ากินมันเป็นของสกรปรกเป็นปฏิกูลนี่คือปัญญาที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาเพื่อเราจะได้หยุดทำความอยากได้แต่กอนที่แต่แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มใจถึงแม้เราจะมีปัญญาเหล่านี้เราก็ยังสู้มันไม่ได้เพราะมันยังหิวอยู่ พอเห็นอะไรปั๊บอยากได้อะไรปั๊บมันก็จะทนไม่ไหวอย่างที่บอกถ้าเราหิวข้าวเนี่ยแล้วคนก็เอาอาหารมาตั้งไว้บนที่โต๊ะมองยังไงมันก็ไม่เป็นปฏิกูลยาะเชื่อไหมมองยังไงมันก็จะน่ากินอย่างเดียวเพราะมันหิวอ่ะเวลามันหิวมันมองไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราอิ่มแล้วเนี่ยอถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วแล้วเอาอาหารมาตั้งไหมตอนเนี้เรามองเป็นปฏิกูลได้เราจะไม่กินมันได้อืม ดังนั้นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยเราจะต้องทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขก่อนให้มีความอิ่มก่อนเราถึงจะเอาความอิ่มนี้มาสู้กับความหิวของความอยากของความโลภได้ถ้าไม่มีความอิ่มนี่สู้มันไม่ไหวหรอกพอมันบอกให้บอกว่าบอกว่านั่นสวยก็อยากได้บอกอกว่านั่นดีก็อยากได้บอกว่านั่นสุขก็อยากได้ทันทีคว้ามาทันที ทั้งทงที่รู้อยู่ก็ยังสู้มันไม่ได้เหมือนคนที่สูบบุหรีน่นี่เขาก็รู้ว่าสูบแล้วไม่ดีสูบแล้วเดี๋ยวต้องเป็นโรคปอดนะเดี๋ยวต้องเป็นมะเร็งนะแต่เวลามันอยากขึ้นมานี่มันทรมานใจถ้าไม่ได้สูบแล้วมันทรมานใจมันมือไม้สัน่นใจสั่นไปหมดแต่ถ้ามีสมาธินี้มือไม้จะไม่สัน่นเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันสั่นก็หยุดมันได้ ถ้าเรารู้จักทำสมาธิพอใจสัน่นเราก็ทำให้มันหยุดสั่นได้มันก็ทำให้เราสู้กับความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี้เราอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเลยสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็มีปัญญากันเยอะแยนะเนี่ย้ฟังกันตอนนี้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเนะ่เดี๋ยวพอไปเจออาหารเนี่ยพวกที่ถือศีลแปดเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นอาหารตอนนี้ก็น้ำลายไหลกันแนละ้ว พ อ, อยังไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็เฉยได้เห็นอาหารก็เฉยได้นึกถึงปฏิกูลได้แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มใจนีเห็นอาหารนี้ปฏิกูลนี้มองไม่ออกมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าน่ากินอย่างเดียวเห็นแต่น้ำลายไหลออกมาอย่างเดียวอันนี้คือทาไมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราต้องไปสมถะก่อนต้องไปสมาธิก่อนต้องฝึก ทำใจให้สงบมีความอิ่มมีความสุขก่อนแล้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาเพราะถ้ามันไม่มีความสุขความอิ่มมันจะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองไม่เห็นอสุภะมองไม่เห็นปฏิกูลมันจะเห็นเป็นอนิจจังมันจะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะมองว่าเห็นว่าสวยว่างามจะมองเห็นว่าหน้ากินหน้ารับประทานเท่านั้นนี่คือ ผลที่เกิดจากการมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วใจมันจะเฉยกับสิ่งต่างๆได้เห็นอะไรก็สามารถสอนให้มันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สอนให้มองให้มันมองอสุภะได้สอนให้มันมองเห็นปฏิกูลได้พอมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นปฏิกูลเห็นเป็นอสุภะมันก็ตัดได้ ตัดความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหมดได้ถ้าตัดได้หมดใจก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาระดับร ะ, ระดับปลายของพระพุทธศาสนาคือระดับนักบวชตอนต้นเราก็ มาซ้อมมาลองทดลองชิมชิมระดับนักบวชก่อนในวันพระหรือในวันหยุดสมัยนี้วันพระอาจจะไม่เหมาะกับเราเราต้องเอาวันที่เราไม่ต้องทํางานมาเป็นวันพระวันไม่ทํางานลองมาถือศีลแปด ล, ลองไปอยู่วัดสักวันหนึ่งแล้วก็ลองไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบแล้วก็ไปใช้ เจริญปัญญาให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นปฏิกรูนัถ้าเราทําแล้วเราเห็นประโยชน์เห็นว่าเออแทนที่จะทุกข์กับมีความสุขมากกว่าถือศี่ห้าไปเที่ยวไปกินไปนอนได้มาแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ติดแล้อยากเที่ยวอยากกินอยากเล่นอีกแต่เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้กิ น, ไ ม, ไ, กนไม่ได้เล่นกับทุกข์ตอนนี้ไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นกลับไม่ทุกข์กลับมีความสุข เพราะถือศีลแปดได้เพราะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เพราะพิจารณาปัญญาเป็น พ, พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นพิจารณาอสุภะเป็นพิจารณาปฏิกูลเป็นทำเหล่านี้จะทําให้ใจสงบทําให้ใจอิ่มทาให้ใจมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปเดิม่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆ พอได้สัมผัสได้ชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีกว่ารถของนักบุญก็ทีนี้ก็อยากจะมาเป็นนักบวชนะก็จะเพิ่มจากหนึ่งวันมาเป็นสองวัน3ามวันแล้วต่อไปอาจจะลดการทำงานให้น้อยลงเปลี่ยนอาทีพใหม่เป็นอาที่ อ, ทอิสระอยากจะขายก็ขายไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขาย ไม่ต้องไปทำงานประจำห้าวันตามเพื่อจะกินเงินเดือนเขามาค้ามาขายไก่ย่างท่มตาก็ได้วันไหนไม่อยากยาวันไหนอยากจะไปภาวนาก็ไม่ต้องขายวันไหนต้องเปลี่ยนอาที่ให้เป็นอาชีพอิสระเพื่อเราจะได้เราจะได้มีอิสระในการเลือกเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะได้เพิ่มการปฏิบัติถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็เป็นนักบวชเต็มรูปแบบได้ เป็นผู้ชายก็ไปถือศีลสองร้อยิบเจ็ดเป็นพระไปเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นแม่ทีไปแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มที่ภาวนาได้เต็มร้อยเป็นนักบวชได้เต็มร้อยถ้าได้เป็นนักบวชเต็มร้อยแล้วผลก็จะเต็มร้อยปัญหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะถูกทำลายไปหมดแล้วพบชาติต่างๆที่ มีก็จะหมดไปจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาในระดับปลายของพระพุทธศาสนาคือได้ตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากจิตจากใจตัดา ก, การเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสึ้นไปถ้าเป็นระดับนักบุญก็ตัดแค่ปิดแค่อบายได้เวียนว่ายอยู่ในสวรรค์แต่ถ้า แต่ยังต้องกลับมาเกิดต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ก็ต้องไปเป็นนักบวชอย่างนแล้วก็ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการภาวนาสมถะภาวนาแล้ววิปัสสนาภาวนาแล้วความอยากต่างๆมันก็จะถูกทำลายไปหมดพบชาติที่เกิดจากความอยากก็จะหมดไปเราก็จะ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธจเจ้าพระ อ, อรหันต์อยู่กันก็คือพระนิพพานที่มีแต่บาร ม, มีสุขนิพพานังปรมังสุขขังนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาขั้นต้นเราก็เรียนระดับนักบุญไปก่อน พอเราเป็นนักบุญแล้วเราก็ขยับไปเป็นนักบวชต่อไปแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาร เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจจะตุสัพเหโปรเณตุสังกปาจันโทปัญหาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอะพิวาธนสีลิสานิจจาวุฒาปจายโนจตาโรโอธรรมาวาธานติอายุวันโอสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านที่มีคําถามก็ขอเชิญถามคําถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ของดถามตอบ ป, ปัญหาถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองก็เขียนข้อความให้เจ้าหน้าที่เขาอ่านให้ก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังยังยังตอนนี้ยังเพียงแต่ประกาศอยู่ วันนี้ทาง y o u t u b ู Facebook เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา275คนย t u b บเข้ามา99คนพูดติดตามทางไลน์เพิ่มขึ้น 5,618 คนแล้วก็ไอจี2คนวันนี้สัญ ญ, ญาณขาดขาดนะครับอาจารย์สั ญ, ญญาณขาดขาดเนะียครับผมวันนี้พี่บอยไม่ได้มาเลยพี่บอยวันนี้ติดตุราที่กรุงเทพอ๋อ แต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกับตัดใช่ไหมครับไม่ถึงกับตัดมันยังเพียแต่มันชะ ง, งักไปครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีครับคนเลยเข้ามาไม่มากครับผมโอเคมีใครอยากจะถามปัญหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบไมโครโฟนให้พูดผ่านทางไมโครโฟนนะพูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆน่เอาไมโครโฟนใกล้ๆปากเลย ตอนสมัยหนูเด็กๆอะเขาใกล้ใกล้ปากหน่อยขึ้นปากเหมือนอย่างนี้เลยเหรอคะจำจำปากปอดีหนูมีเรื่องคาในใจอ่ะค่ะตอนที่แม่เขาป่วยแล้วพนี่หนูเขาใกล้ใกล้ปากนี่ยไม่ได้ไหหนูตะคอกับแม่อะค่ะหนูกลัว่าหนูตอนนั้นหนูบาปเพื่อเป้าค่ะหนูรู้สึกว่าหนูบาปมาตลอดอะค่ะ ก็บาบนิดหน่อยแต่ไม่บาบมากไปตาเข้าพ่อับเข้าแม่นี่ไ ม, ไม่ควรไม่เคารพขาดความเคารพแต่ไม่ถึงกับไปทําร้ายเขามันก็ยังไม่บาบแต่มันเข้าขา่ที่ถ้าไม่ระวังก็เดี๋ยวก็อาจจะไปทุกตีพ่อแม่ได้<ต>ก็ต้องระมัดระวังแต่ท่านป่วยอยู่คะแล้วก็ร้องเสียงดังชาวบ้านเขานอนไม่ได้หนูก็เลยบอกแม่จะเสียงดัง แกก็ตะโกนด่าหนูแช่งหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีเสียงขึ้นกับแม่เแต่ตอนที่ทันเสียหนูก็ไปได้ดูแลทันด้วยเข้าไกไม่ได้เหมือนร้อนอะคะ่ะแต่เขาไม่ยอมหยุดก็ปล่อยเขาร้องไปเราห้ามเขาไม่ได้อเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาหยุดเองถ้าเราหยุดไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาไปแจ้งควาตมตำรวจเขาก็มาให้หยุดเองแต่เราไม่ได้เป็นตำรวจเราอย่าไป อะไรกับแม่เลยถ้าแม่เขาไม่ฟังเราเราก็ต้องหยุดบอกแล้วเขาไม่ฟังก็หยุดอย่าไปตะคอกอย่าไปว่าอะไร ม, มันไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้เราเสียความเคารพแต่ว่าตอนนี้แม่เสียไปห้าปีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าผิดมาตลอดก็ทำบุญเ่าให้แม่ไปเรื่อยๆนำบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญให้แม่ขอขอมาแม่ไปทุกครั้ง ใตตอนที่ทันเสียหนูขอเข้ามาไม่ทันนะเจ้าคะ่ะอ่าไม่เป็นไรขอตอนนี้ก็ได้าการขอเข้ามาไม่ไดีอยู่ที่คนที่เราไปขอเข้ามาด้วยอยู่ที่เราว่าเราสำนึกผิดหรือเปล่าเราสำนึกผิดแล้วต่อไปเราจะไม่ทำอีกต่อไปเราไปมีแม่คนใหม่เราจะได้ไม่ทำแบบที่เราเคยทำม า, าแต่ทำไมตอนที่ทันมีชีวิตเจ้าคะ่ะหนูเข้าใกล้แม่ไม่ได้เลยเหมือนรอ น, นะเจ้าคะ่ะ ก็เราเกลียดแม่มึงแม่กับเราไม่ถูกกันมันก็เลยเข้ากันไม่ได้เพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความเมตตาไม่มีความรักต่อกันมีแต่ความจงรักจงชังกันมันก็เข้ากันไม่ได้ ม, มันมันเกี่ยวกันไหมเจ้าคะตอนที่แม่ตอนแม่ก็ลําบากแกพิชิตตังเข้ามาแล้วก็แกก็เอาหลวงพิทายคนอื่นอไม่ค่อยได้ยินพูดดังๆเลยเนะี่ยตอนที่ ท่านไปยืมเงินเข้ามาเจ้าค่ะแล้วแบบท่านไม่มีเงินท่านก็เอาหนูเนะี่ยไปหักให้เขาอะไรอย่างเงี้ยโอก็เลยลูกเสดกจน้อยใจเจ้าค่ะเอาเงินของหนูไปใช้ทำไมน้อยใจทำไมก็คิดว่าทดแทนบุญคุณแม่เราเป็นนี่แม่มากแม่ให้กำเนิดเราเลี้ยงว่าเรามาหมดไปไม่รู้กี่แสนพอแม่จะหอมเงินไปใช้สักพันสองพันใหวง่าย คิดว่าเป็นการใช้หนี้เป็นการทดแทนบุญคุณนะคุณจะให้มากกว่านี่เสียได้ซ้ําไปเพราะวถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราเราคิดไม่เป็นเราลืมลืมบุญคุณของพ่อแม่ไปก็เลยหวงเงินหงทองที่พ่อแม่จะเอาไปใช้ควรจะดีใจว่าเราได้ทําบุญกับพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกทําบุญกับพ่อกับแม่นี่ได้ ได้บุญเท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์เลยเจ้ค่ะตั้งแต่นั้นหนูรู้สึกว่าหนูผิดมาตลอดนะเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรรู้ตอนนี้เมื่อก่อนเราไม่รู้ก็อาจจะทำไปตามความไม่รู้ของเราเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราถึงต้องมาวัดกันเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ธรรมดาที่อื่นเขาไม่ค่อยสอนเรื่องบุญเรื่องคุณของพ่อของแม่กันเท่าไหร่พ่อแม่สอนก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าทวงบุญทวงคุณอีก ก็เลยต้องมาให้พระสอนให้ก็นะเอาไว้เป็นบทเรียนว่าการผิดพลาดของเราเราอย่าไปทำซ้ำซากอีกถ้ารู้ว่าผิดแล้วมันก็จะไม่ทำพยายามถ้าจะทำก็พยายามหักห้ามจิตใจถ้าต่อไปเราก็จะไม่ทำเอาแล้วนะอคนอข้างหลังข้างหลังกลับมนมัสการครับอาจารย์ อยาเกเรียนถามพระอาจารย์สองข้อนะครับก็คืออา น, นิสงส์งของการบวชพระหรือว่าบวชเนรในพุทศาสนามีมีอย่างไรบ้างครับแล้วก็กรณีที่เราบวชตอนที่พ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถอุทิศให้พ่อแม่ได้ไหมอ๋อไม่ได้แล้วบุญที่เกิดจากการอุทิศนี้ต้องบุญที่เกิดจากการทำทานถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศได้เลย บุญที่เกิดจากการบวชนี่มันยังไม่เกิดเพราะเวลาเราบวชเรายังไม่บรรลุเหมือนเรียนหนังสื อ, อยังเรียนไม่จบถ้าเรียนยังไม่จบมันก็ยังไม่มีผลจากการเรียนแต่ถ้าเรียนจบแล้วก็จะมีผลสามารถเอาธรรมะที่เรามีนี้ไปสอนพ่อสอนแม่ที่ตายได้อย่างพระพุทธเจ้านี่แล้วก็ไปสอนแม่ที่อยู่บนสวรรค์ได้ทําให้บรออรบลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ การบวชนี้ยังไม่ได้มีอั น, นิสง์อะไรการบวชเหมือนกับไปการเรียนถ้าบวชแล้วไม่เรียนไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็จะไม่ได้อั น, นิสง์อะไรจะได้อันิสง์ก็ต้องบวชแล้วต้องเรียนเรียนแล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นนะถึงจะได้ผละก็อย่างที่เทศใด้ฟังวันนี้บวชแล้วต้องปฏิบัติต้องกำจัดกิเลสตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจ พอหมดแล้วก็จะได้เป็นพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ต่อไปได้ประโยชน์กับตนเองคือไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกขออนุญาตอี ก, อก ข, อข้อหนึ่งนะครับการปฏิบัติเนี่ยมันมีสมถะกับวิปัสสนาครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าจาก สมถะเป็นวิปัสนาครับอ่าก็สมรถะให้มันสงบให้มันอิ่มเหมันกินข้าวอ่ะกินให้มันอิ่มก่อนกินอิ่มแล้วค่อยไปทํางานถ้ากินยังไม่อิ่มไปทํางานมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเห็นว่ล้วนั่งสมาธิจิตสงบถ้ามันยังไม่สงบมันก็ยังไม่อิ่มยังไม่สุขมันก็จะไม่มีไปแรงไปพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลรูนันก็จะ ยังไปทางปัญญาไม่ได้มันจะรู้เองปฏิบัติไปแนละ้วมันก็จะรู้ว่ามีกำลังหรือไม่มีกำลังสู้ถ้ายังไม่มีกำลังก็อย่าไปพึ่งไปสู้กับกิเลสสู้ก็แพ้ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆทำใจให้สงบให้ใจรวมเป็นสมาธิก่อนใจรวมเป็นสมาธิมีความสุขมีความอิ่มแล้วทีนี้พร้อมเหมือนคนทหารที่เขาได้กินข้าวอิ่มแล้วเขาก็พร้อมออกรบได้ เขายังไม่กินข้าวเขาหิวนี่เขาไม่อยากจะไปลบอ ล, ลบก็แพ้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคกับสาธุครับ อ, อ, อยู่เป็นคนละด้านเลยเหนือใต้เล ย, ยจะใช้จะใช้แบบไร้สายก็ไม่ได้เพราะมันเดียวสัญญาณมันตัดตีกันเลยต้องใช้สายขับกับนมัสการพระอาจารย์ครับกัผม ขอรบ ก, กวนอ่าพระเมตตาโปรดอ่าให้ทานความรูร้กแก่ผมคือ <c oughs> การฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการทําจิตให้สงบเสร็จแล้วเรายกจิตขึ้นสู่จิตตภาวนากรรมฐานเนี่ยคือหนึ่งเราต้องทําจิตให้สงบจนเก่งก้าและก็ชนานารก่อนจึงจะยกขึ้นสู่จิตตภาวนาใช่ไหมครับเออ ให้มันชำนานให้มันเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการแล้วเวลาออกจากสมาธิถึงค่อยไปพิจารณาทางปัญญาขณะที่อยู่ในสมาธิยังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาเวลาอยู่ในสมาธินี่ต้องการให้มันสงบไปนานๆานให้มันมีกำลังมากๆก่อนการการพิจารณากเกีเ่ยวกับเกสารูมาพ่นตาหนาขาถูกต้องนะครับนั่นให้ดูสุภพไง ให้ดูว่าร่างกายไม่สวยไม่งามให้ดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ขมผลขมผมขนเล็บฟันปนาการสาวสิบสองอาการสิบสองนี้เป็นเราหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าเราเป็นฟันหรือเปล่าในร่างกายนี้มีเราอยู่ตรงไหนลองค้นหาดูนี่นี่เกวิปัสสนาเราดูอสุภะแต่อไปรัตไม่ไม่มาเกี่ยวข้องปอนใช่ไหมครับ ก็ก็แล้วแต่มันดูมันดูแต่ละมุมไงถ้าจะดูอาการสาที่สองก็จะให้เห็นว่ามันไม่สวยงามหนึ่งเห็นอาการสามที่สองมันก็จะเห็นร่างกายไม่สวยงามสองก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้อน้าตาสหัสภาพก็ดูตอนที่มันไอตอนอนิจจาก็ดูตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายอนิจจามันเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงมันไม่อยู่มันไม่หนุ่มไปตลอดมันไม่สาวไปตลอดนะครับผมเข้าใจแล้วครั บ, ารบสาธุาาวันนี้มีพิธีกรใหม่การวัชการพระาจารย์นะคะคำถามจากบนเขานะคะฝาดถามกราบถามหลวงพ่อคะ่ะถ้าเลี้ยงไก่ไว้เพื่อเอาไข่มากินแต่ไม่ได้ฆ่าแม่ไก่ จะบาปไหมคะไม่บาปหรอถ้าไม่ได้ฆ่าถ้าไขน่นั้นไม่มีตัวถ้าไข่มีตัวก็บาปเพราะมันฆ่าไข่ไงไข่ที่มันยังฟักได้เป็นตัวได้แต่ถ้าเป็นไข่ที่ฟักไม่ได้ก็ไม่บาปคําถามจากเฟซบุ o กไลน์นะคะคุณเกรดเกษราศรีบุญชูมีคนฝากถามเจ้าคะ่ะว่าสามีเล่นพนันสิ่งที่เป็นการพนันเล่นหมดทุกอย่าง ไม่สนใจครอบครัวภรรยาจะต้องปฏิบัติอย่างไงดีคะเพราะสวดมนต์เป็นประจาเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะอ๋อก็อย่ากันสิอย่าไปอยู่ด้วยกันทําไมคนไม่ดีไปอยู่ด้วยกันทําไมไปหาคนดีคนดีมีเยอะแยะแม่ไปเอาคนไม่ดีแล้วมานั่งภาวนาให้เขาดีมันไม่ดีหรอก <c oughs> เขาต้องเขาจะดีได้เขาต้องภาวนา <c oughs> เราภาวนาเราก็ดีแต่เขาเขาไม่ภาวนาเขาก็าไม่ดีอยากจะให้เขาดีต้องให้เขาภาวนาไม่ใช่เราภาวนาแต่ถ้าเขาไม่ยอมภาวนาเขาอยากไม่ดีเราถ้าเราไม่อยากจะอยู่ถ้าเราไม่อยากจะได้เขาเราก็อยากกับเขาไปแยกกันไปไปหาคนดีดีกว่าหรือถ้าหาคนดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหาคนดีอยู่ด้วยไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์แซลมนะคะพระอาจารย์ครับผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วโดนพ่อท่านบน่นว่าผมว่าเอาว่าเอาผมควรจะทำอย่างไรดีครับเขาบ่นว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดอะคะ่ะแล้วก็โดนพ่อบน่นคือเขาถามว่าจาผมควรจะทำยังไงดีครับก็ให้เขาบ่นไปเสร็จแล้วก็ไปของเรา เขาบ่ยกันเรื่องของเขาเราก็ไปว่ากันเรื่องของเราเราก็ไม่ได้ไปเหยียบพังเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขาเสียหายเขาไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายการไปปฏิบัติธรรมมันดีอย่าตายไปหดยเขาจะให้เราไปกินเหล้าไปไปป้นธนาคารเนี่ยคถามจากคุณชุตินันท์ค่ะรุ่นน้องรุ่นน้องสูญเสียสามีเนื่องจาก ตายกระทันหันผ่านมาเป็นผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังทําใจไม่ได้มีอาการซึมเศร้าควรแนะนําเขาอย่างไงดีคะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ด้วยค่ะเขาเศร้าเพราะเขาคิดถึงชอบคิดถึงแฟนคิดแล้วก็อยากจะให้เหมือนเดิมทีมันไม่เหมือนเดิมก็เลยเศร้าไม่ได้ดังใจอยากถ้าไม่อยากจะเศร้าก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับแล้วอย่าไปอยาก ให้เขากลับอย่าไปอยากให้เหมือนเดิมมันผ่านไปแล้วอันนี้จังเศร้าเพราะมันทุกข์ขังเพราะอยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมอันนั้นวิธีก็ทีดีก็อย่าไปคิดถึงเขาเวลาจะคิดถึงเขาก็ให้พุทโธพุทโธไปให้ท้องพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธได้เดี๋ยวเราก็จะลืมเขาแล้วเราก็จะหายเศร้า ถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเวลาจะเป็นรักษาแผลใจเองต้องต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้ามียามันก็จะเร็วหน่อยยาก็คือพุทโธเนี่ยเรียกว่าธรรมโอสถถ้าใส่ยาเข้าไปเดี๋ยวแผลมันก็หายเร็วถ้าไม่ใส่มันก็หายช้าถ้าอยากจะหายเร็วก็หัดพุทโธพุทโธไปเวลาคิดถึงเขาเวลาเศร้าเมื่ อ, อไหร่ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็จะหายเศร้า คำถามจากคุณสุนีค่ะถ้าเรารักษาสินห้าอยู่เป็นนิดแล้วบังเอิญไปผิดสินข้อใดข้อหนึ่งเข้า <c oughs> ถือว่าเป็นบาปไหมคะอาบาปสิถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้รักษามันก็บาปเป็นอยู่วันดีกืนดีไปขโมยเ ง, นงนินของคนนั้นคนนี้ขึ้นมามันก็บาปนะคำถามจากคุณแสงอุ่นสี ขอกาบเรียนถามว่าจิตกับสติต่างกันอย่างไรเจ้าค ะ, ะจิตเป็นเหมือนเป็นเหมือนลิงไงสติเป็นเหมือนเชือกถ้าเราอยากจ ะ, ะควบคุมลิงเราก็ต้องมีเชือกคล้องคอมันถ้าเชือกผูกคอมันแล้วก็สามารถบังคับดึงมันได้มันจะไปไหนมาไหนเราก็ดึงห้ามมันได้จิตเราก็เป็นเหมือนลิงเนี่ยชอบไปนู่นมานี่ชอบไปอดีตไปอนาคต ชอบไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ตัวเองอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ไปไหนแล้วก็ไปรู้เพราะไม่มีสติถ้ามีสติพุโทโธก็ดึงกลับมาได้พุโทโธพุโทโธมันก็กลับมาคําถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามนะคะถวายสังฆทานอุทิศให้สู่ย่าตายายของเพื่อนได้ไหมคะเหมือนที่เราให้สัพรพะสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมคะ อันนี้ข้อหนึ่งครับอาจารย์เอาเออกทีละข้ อ, อได้ได้เหมือนกันอุทิตบูนนี้อุทิศให้ได้ทุกคนเหมือนกับเขียนเช็คอ่ยเขียนให้ได้ทุกคนใส่ชื่อใครคนนั้นก็เอาไปรับได้ข้อที่สองแล้วกรณีอุทิตให้เจ้ากรรมในเวรของเราได้ไหมคะได้แต่เขาจะรับไม่รับไห ม, ไมอเรื่องข้อที่สามอุทิตให้เจ้ากรรมในเวรของเพื่อนเราสามารถทําได้ไหมคะ ได้อย่างที่บอกเขาจะรับหรือไม่รับานันเองคำถามจากคุณลิน ล, ลีแองเจลิลค่ะกล่าบเรียนถามกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะบางทีที่เราสวดมนต์แต่เราไม่ได้สวดอัญเชิญเทวดาก่อนจะสวดมนต์แต่เราจะไปสวดบูชาพระรัตนาตรัยนะมัสการพระรัตนาตรัยเลยได้ไหมเจ้าคะได้ สวดบทไหนก็ได้จะอัญเชิญเทวดาหรือไม่อัญเชิญก็ได้ก็อีกคำถามหนึ่งนะคะพระอาจารย์และการแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์ให้บิดามารดาเจ้ากรรมในเวรเขาจะรับจริงๆหรือเปล่าคะตอนนั้นยังไม่ได้แผ่เราจะแผ่ใ ห, ให้พ่อให้แม่ต้องไปแผ่ต่อหน้าไปกราบพ่อกล่าบแม่นะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสมาธิคนเดียวแล้วก็แผ่พ่อแม่ไม่รู้เรื่อง อยาให้พ่อแม่รู้เรื่องเวลาเจอพ่อแม่ก็กราบพ่อกราบแม่อย่าไปตะคอกพ่อตะคอกแม่เหมือนที่เมื่อกี้เข้ามาเล่าให้ฟังที่ให้ที่ให้แผ่เมตตาตอนนั่งสมาธิคือให้สอนให้เตือนใจให้เรียนรู้วิธีแผ่ว่าเราต้องแผ่เมตตาอย่างไรให้ความสุขแก่ผู้อื่นวิธีให้ความสุขกับพ่อแม่ก็คือไปกราบพ่อกราบแม่รับใช้พ่อรับใช้แม่ มีข้าวของอะไรเอาไปให้พ่อให้แม่อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาแต่เวลาที่เรานั่งนี่ไม่ได้แผ่เป็นการเรียนเป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราเจอพ่อเจอแม่อย่าไปตะคอกพ่อตะคอกแม่อย่าไปด่าพ่อด่าแม่นี่คือหน้าที่ของเวลาที่เราสวดนี่มันสวดเพื่อสอนเขาใจไ ม, ไ, ไม่ได้สวดเพื่อแผ่ยังไม่มีผู้รับจะไม่มีอรายแผ่ให้เขาแผ่แต่คาสวดไม่ได้ ทำสวดไม่ใช่เป็นของที่เราจะแผ่ไม่ใช่ความเมตตาความเมตตาต้องเกิดจากการกระทำของเราเนี่ยปีใหม่เนี่ยเราสอคสอกันใช่ั้ยส่งความสุขกันเนี่น่แหละแผ่เมตตาจะถ้าจะส่งแค่ตัวสอคสอมันก็ยังไม่มีอะไรมันต้องส่งด้วยกระเช้าส่งด้วยขนมเค้กส่งด้วยของข้าวของเพราะคนเขารับเขาจะได้มีความสุข คำถามต่อไปจากคุณชาตินะคะขอสอบถามครับการดักหนูเป็นวิบาตกรรมหรือเปล่าครับทั้งตายและไม่ตายครับคือถามว่าบาปหรือเปล่าถ้ามันตายก็บาปถา้ม า, า, ปถามันไม่ตายก็ไม่บาปถ้าดักมาแล้วไปปล่อยที่อื่นนี้ไม่บาปหรอถ้าดักมีถ้ากับแบบดักพอมันไปติดกลับก็ตัดคออะไรอย่างนี้ก็บาปเดินไปซื้อถ้าจะซื้อกับซื้อแบบที่เป็นกรง ที่มันเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในกรงไม่ตายแล้วเราก็เอาไปปล่อยที่ไกลๆอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเอาแบบชนิดที่มันเป็นเหมือนอเป็นเหมือนไอ้ที่ข่าตัดค อ, อนี้พอมันไปติดป้าปตัดคอขาดยอะไรอย่างนี้ก็บาปทาทำให้มันตายก็บาปถ้ามันไม่ตายไม่บาปคำถามจาก youtube คะ่ะคุณโกมินโฮคนที่ติดบุหรี่ถ้ามาปฏิบัติธรรม จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ไหมครับเพราะเป็นการตัดความอยากแต่ก็ยังเห็นพระสงฆ์สูบบุหรี่อยู่เลยครับสแสดงว่าท่านเอาชนะความอยากยังไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเช่นถ้าไปอยู่ที่ปฏิบัติเขาจะไม่หนึ่งไม่มีบุหรี่ให้สูบมันก็จะไม่มีอะไรมาล่อใจ 2. องท่ามีการทําใจให้สงบมันก็จะมีความสุขใจอิ่มใจ แล้วถ้ามันเห็นโทษของการสูบบุหรี่มันก็จะเลิกได้มันต้องมีทั้งสามอย่างมีทั้งสองอย่างมีกำลังที่จะหยุดมันสองต้องเห็นโทษว่าหยุดทำไมหยุดสูบทำไมหยุดเพราะว่ามันทุกข์มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขคำถามจากบนเขาฝากถามค่ะจากคุณนันทวุฒินัทวุฒิเมื่อมีสติรู้อยู่เสมอแล้วต้องพิจา ร, รณาอะไรไหมครับ เช่นร่างกายฟันเล็บพอพิจารณาแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดเข้ามาแทนตัวรู้ต้องทำอย่างไรหรือให้รู้ไปแบบไม่ต้องพิจารณาพึ่งหัดทำครับไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบเดินจงกรมแต่หัดทำอะไรให้มีสติตัวรู้ก็ขั้นต้นก็ต้องให้มีสติหยุดความคิด สองต้องนั่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ความคิดหายไปโดยโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันถ้ายังต้องบังคับต้องคอยหยุดความคิดอยู่นี่ยังเรียกว่าไม่สงบต้องให้มันสงบแบบไม่ต้องไม่ต้องบังคับมันวันหยุดไปเองเวลาจิตรวมจิตนิ่งจิตสงบแล้วมันจะไม่คิดตอนนั้นเรียกว่าสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิก็ให้มันอยู่นานๆสองแล้วก็หัดเข้าไปบ่อยๆ าให้เข้าไปได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเราก็มาคิดทางปัญญาได้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสบสองเป็นต้นคิดเพื่อสอนใจให้รู้ความจริงตอนนี้ใจเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา คำถามจากเฟซบุ๊กไลน์นะคะคุณปองค่ะกราบสาธุครับในนิพพานมีจิต ด, ด้วยไหมครับจิตนี่แหละเป็นนิพพานจิตที่สะอาดปราศจากความโลภกิดหลงปราศจากความอยากต่างๆเราก็เรียกว่านิพพานเป็นชื่อของจิตใหม่เหมือนกับของคนที่หายจากาติดยาเสพติดแล้วก็เปลี่ยนชื่อก็ใหม่ตอนต้นชื่อว่านายติด พอหายจากการเสพยาเสพติดแล้วก็เปล่นว่าเป็นน้นายไม่ติดไปเปลี่ยนชื่อแต่คนยังคนเดียวกันอยู่คนติดกับคนไม่ติดนิพพานก็เป็นคนที่ไม่มีโรคโกรธหลงไม่มีตันหาความอยากไม่ติดกับอะไรทั้งนั้นพวกเรานี้ยยังเป็นพวกที่ติดอยู่ยังชื่อติดอยู่ยังมีโรคโกรธหลงยังติดนู่นติดนี่กันอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติสมาได้เราก็จะสามารถ หยุดติดได้เลิกติดได้เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ติดไปพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้มีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผู้ไม่ติดแล้วพวกเรายังเป็นผู้ติดอยู่ยังติดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ติดการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงเรียกวันลิผานคำถามจากคุณอุ๋ยมลกฏค่ะดิฉันกาลังเดินทางไปหาคุณพ่อ ซึ่งขณะ น, นี้ท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอได้แจ้งว่าคุณพ่ออายุมากแล้วโรงพยาบาลก็ช่วยเต็มความสามารถแล้วแต่ด้วยอายุไขกับโรคที่เป็นก็คงต้องเสียชีวิตไปตามกาลเวลาวันนี้ตอนสายดิฉันได้ไปทําสังฆทานให้คุณพ่อที่วัดและได้กรวดน้ําเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะกระทําให้ท่านดิฉันดิฉันกำลังทําใจในการสูญเสียครั้งนี้ และเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นของดินน้ํำลมไฟยืมเข้ามายืมดินดินยืมดินน้ําลมไฟมาปั้นให้เป็นร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็แตกเหมือนตุ๊ ก, กตาที่เราปั้นทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็หักมันก็พังไปร่างกายก็เป็นแบบเดียวกันก็ต้องทําใจยอมอต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันถึงทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยง แต่เราทำไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องทําใจอย่างเดียวแม้แต่ของร่างกายของเราต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนของพ่อเราฉะนเอาร่างกายของพ่อมาเป็นบทเรียนสอนเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกเวลาที่เราตายบ่นหรือยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์จากคุณลิลลี่คะ่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์อีกข้อเจ้าคะ่ะบิดามารดาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่านท่านจะได้รับไหมเจ้าคะ่ะในกรณีที่บิดามารดาในกรณีที่บิดามันด า, นด า, นดาแล้วเจ้าคะ่ะตายแล้วคือแผ่เมตตาต้องให้แผ่กับตอนที่เขาอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าก็เป็นผีหรือเป็นดวงวิญญาณมาหาเราเราก็ต้อนรับเขาอางี้ก็เรียกว่าแผลไม่ตาไม่ใช่พอเขามาก็บอกอย่ามาเลยไปเถิดไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะถ้าอย่างนี้ก็ไม่แผลเม่ตาเพราะเราลังเกยียจเขาเราต้องรักเขาสมมติพ่อแม่ตายแล้วเขาคิดถึงเราเขามาหาเราเป็นดวงวิญญาณมาหาเราเราก็ต้องดีใจต้อนรับพ่อต้อนรับแม่กลับพ่อกลับแม่ไม่ใช่พอรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณไม่เอาแล้วทีนี้ ถึงแม้จะเป็นพ่อเป็นมากก็ไปที่ชอบที่ชอบเถิดถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้แผ่าการนันน่งสวดแล้วนั่งสวดแผ่ไปมันไม่มันไม่ได้แผลเข้าใจไหมมันต้องมีผู้รับและต้องมีการให้การสวดไม่ได้เป็นการให้ผู้รับก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเะฉั้นต้องรอให้เขามาหาเราถ้าถ้าเขามีชีวิตอยู่เราเจอเขาเราก็ต้องต้อนรับเขามีอะไรก็ ให้เขาให้เขามีความสุขทําให้เขามีความสุขน่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งสวดเวลานั่งสมาธิแล้วก็สวดแผ่เมตตาอันนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสอนเป็นการฝึกแผ่เพื่อเวลาเจอของจริงจะได้แผ่ออกอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเจอกันแทนที่จะแผ่กับแยกเคี้ยวใส่กันตะคอกกันแต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนพอเราจะแยกเคี้ยวเราบอกให้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกเี่ย ต้องยิ้มใส่กันต้องช่วยเหลือกันดูแลกันอย่างนี้ถึงเรียกว่าแผ่เมตตาหมดแล้วใช่ไหมยังมหมดอา้อาข้อสุดท้ายคำถามจากคุณจีน่าเชนนะคะกราบเรียนถามว่าการที่จะมีดิษหูทิพติปตาทิปรู้ใจคนต้องได้ฌานไหนเจ้าคะอ๋อก็ต้องได้สมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอุปจรารสมาธิอุปจรารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ต้องผ่านอัปปนา จิตรวมสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆนั้นออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอภิน ญ, ญาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมทุกคนท่านว่ามีน้อยมากอาจจะร้อยละห้าที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตชาติเคยได้เรียนได้ศึกษามาทางนี้ก็เลยสามารถออกไปทางนี้ได้ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทงางศาสนาพุทธเราจะไม่เน้นเรื่องอภิน ญ, ญาเราจะเน้นเรื่องการไปนิพพานเน้นให้อยู่ในอัปปนาสมาธิไม่ให้ปล่อยจิตออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเป็นนิสัยเดิมอยู่เทยเคยเรียนรู้มาพอจิตสงบแล้วมันก็จะออกไปรู้ของมันเองได้เพ่นพระพุทธเจ้านี่ก็มีอภิญญาพระโมคคัลลานะก็มีอภิญญาแต่ภาษาลิบุตรไม่มี ดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องความสามารถพิเศษเราอย่าไปกังวลกับมันถ้าเราไม่มีก็อย่าไปหามันเพราะมันสู้อัปปนาสมาธิไม่ได้อัปปนาสมาธิดับกิเลสสู้กับกิเลสได้อภินิยัญญสู้กิเลสไม่ได้ถ้าอยากจะไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปทางอัปปนาสมาธิอย่าไปทางอุปจารสมาธิ